นักปิยศาสตร์คนหนึ่งนะเเล่าว่าตอนที่อายุประมาณสามขวบเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแม่ก็ใช้ตัวเขาซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยให้ไปหยิบขวดนมใส่ตู้เย็นแต่เนื่องจากขวดนมเนี่ยเป็นขวดใหญ่ส่วนมือของเด็กเนี่ยนะเป็นมือเล็กปรากฏว่าพอจับขวดนมเนี่ยมันก็หลนนะหลุด จากมือพอตกถึงพื้ น, นี่นมก็กระจายเต็มพื้นเลยเลอะเทอะไปหมดเลยพอดีแม่ได้ยินนะก็เลยออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอเห็นนมเนี่ยหกนะเลอะเทอะ เ, เต็มพื้นเลยแทนที่แม่นี่จะว่าลูกนะก็บอกว่าโอ้โหทะเลสีขาวเต็มพื้นเลยนะ ไหนๆลูกก็ทํานมหกแล้วลูกอยากจะลองเล่นกับมันดูสักหน่อยไหมนะเด็กเนี่ยทีแรกนึกว่าแม่จะมาดุนะแต่พอแม่พูดแบบนี้ก็เลยออาถือโอกาสเล่นกับ น, นมซะเลยนะได้สัมผัสกับ น, นมบนพื้นเนี่ยรู้สึกสนุกสนานสักพักแม่ก็บอกว่าลูกรู้ไหมเมื่อลูกทํานมหกแล้วเนี่ยลูกก็ต้องทําความสะอาดนะ ลูกก็พยักหน้าแล้วแม่ก็ถามลูกว่าเนี่ยจะทำความสะอาดยังไงดีนะจะใช้ผ้าเช็ดจะใช้ไม้กวาดหรือว่าจะใช้ไม้ถูพื้นลูกบอกไม้ถูพื้นดีกว่าแม่กับลูกก็เลยช่วยกันน ะ, ะทความสะอาดพื้นห้องจนเสร็จนะสะอาด แม่ก็พูดกับลูกต่อไปว่าเนี่ยที่ลูกทำนมหกเนี่ยนะเพราะอะไรลูกมะเพราะว่านมเนี่ยมันขวดใหญ่แต่มือของลูกเนี่ยมันเล็กและพอลูกเนี่ยจับนมตรงกลางขวดเนี่ยนะมันก็เลยหลุดมือคราวนี้ลองมาดูซิว่าทอยังไงเนี่ยถึงจะจับนมเนี่ยโดย ไม่หลุดมือนะลองไปดูกันนะแม่ก็เลยพาลูกไปที่อ่ห้องเก็บของนะแล้วมันก็มีขวดนมก็ขวดนมนั่นแหละขวดเดิมนั่นแหละใส่น้ำให้เต็มเลยแล้วก็บอกเนี่ยนูลูกลองจับดูนะทำไงเนี่ยจะจับโดยไม่ให้มันหลุดมือ เด็กก็ลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกสุดท้ายก็พบว่าถ้าเอามือสองข้างเนี่ยจับตรงคอขวนเนี่ยก็จะจับได้มัน่นแล้วก็นมขวดนมก็จะไม่หลุดมือก็เป็ลนนว่าลูกเนี่ยรู้วิธีแล้วจะถือนมถือขวดนมยังไงเนี่ยไม่ให้มันหกเลอะพื้นเ <Yeah. S 1> เด็กชาคนนี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยนับแต่วินาทีนั้นเลยนะ ก็ได้เรียนรู้นะว่าความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายแทนที่แม่เนี่ยจะด่าว่าลูกนะว่าซุ่มซ่ามแม่กลับสอนให้ลูกเนี่ยรู้จกักเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็หาบทเรียนจากความผิดพลาดนั้นทาให้มันเป็นประโยชน์มากเลยนะสำหรับเขาเนี่ย พอโตขึ้นเนี่ยเขาก็เลยรักการเป็นนักพิทีศาสตร์เพราะว่าเขาได้เรียนรู้ได้ทดลองลองผิดลองถูกกับอะไรต่ออะไรมากมายโดยที่ไม่ต้องกลัวความผิดพลาดแล้วก็ได้เรียนรู้นะวิธีที่จะหาประโยชน์จากความผิดพลาดนั้นต่ อ, อหลังก็เลยกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะ มีผลงานออกมามากมายประสบการณ์ของนะักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็น่าสนใจนะเขาได้เรียนรู้เนี่ยประสบการณ์สาคัญบทเรียนสาคัญเนี่ยจากแม่ที่สอนให้เขารู้วิธีที่จะรับมือนะกับความผิดพลาดเราลองมาดูนะว่าสิ่งที่แม่ทำเนี่ยคืออะไรนะถ้าเราลองมาวิเคราะห์ดูเนี่ยก็จะเห็นเลยนะ ตอนที่แม่บอกว่าเนี่ยโอ้โหทะเลสีขาวนี่มันนองพื้นเลยนะไหนไหนเนี่ยลูกก็ทำหกแล้วลูกอยากจะลองเล่นกับมันดูไหมอันนี้ก็แม่กำลังสอนลูกว่าเนี่ยให้รู้จั ก, จากหาประโยชน์จากความผิดพลาด น, นะเมื่อนมมันหกแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยก็ลองเล่นสนุกกับมันดูแลต่อไปเนี่ย บางครั้งความผิดพลาดเนี่ยมันก็อาจจะให้ประโยชน์กับเราอย่างอื่นได้ด้วยคือให้ความรู้ให้บทเรียนนะแต่ใหม่ๆเนี่ยนะประโยชน์จากความผิดพลาดคือสนุกกับมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องลงไม่ต้องลงโทษตัวเองแลการที่สองเนี่ยแม่สอนให้รู้ว่าต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะ แม่บอกว่าเนี่ยลูกรู้ไหมเมื่อลูกทําหกแล้วเนี่ยนะลูกต้องทําความสะอาดมันนะใครทำนะลูกทําอันนี้ยแม่กำลังสอนลูกนะให้รับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเดี๋ชพ่อเมื่อเป็นความผิดพลาดซึ่งอันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะพ่อแม่เดยพ่อในเมืองไทยเนี่ยให้ลูกเนี่ยสอนให้ลูกรู้ว่าเนี่ยเมื่อเราทําอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยเราควรจะรับผิดชอบ ต่อการกระทำของตัวนี่เป็นบทเรียนสำคัญเลย้ลเด็กเนี่ยทำความผิดพลาดไปแล้วก็ไม่รู้ไม่ชี้นะให้คนอื่นรับผิดชอบแทนทำบ้านสกรปรกเลิวเธอก็ถ้ามีคนงานก็ให้คนงานทำถ้ามีพ่อแม่ก็ให้พ่อแม่ทำนะแต่แม่คนเนี้ยก็สอนว่าเนี่ยเมื่อลูกทำความผิดพลาดเนี่ยแม่ไม่ลงโทษลูกก็จริง แม่ไม่ดา่าลูกก็จริงแม่ไม่ว่าลูกก็ซุ่มสร้างก็จริงนะแต่ลูกต้องรับผิดชอบนะคือทำความสะอาดและทำความสะอาดทำยังไงนะแม่ไม่บอกนะแม่บอกว่าเนี่ยถามลูกว่าเนี่ยลูกจะทำความสะอาดพื้นห้องยังไงใช้ผ้าเช็ดพื้นใช้ไม้กวาดหรือว่าใช้ไม้ถูพื้นนะสอนเด็กรู้จักจคิดนะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร แล้ที่ยิ่งกนั้นนะ่ะคือแม่สอนให้ลูกรู้ว่าความผิดพลาดเกิดจากอะไรนะนอกจากรับผิดชอบต่อความผิดพลาดแล้วเนี่ยรู้จักสาสางแก้ไขแล้วต้องรู้ต่อไปว่ามันเกิดจากอะไรความผิดพลาดลูกกระลัวเนี่ยเป็นเพราะนะจับหรือถื อ, อขวดนมไม่เป็นนะไปจับกลางขวด มันก็หลุดมือเลยนะต้องไปจับที่คอขวดและใช่ดีนี่ก็ต้องจับสองมืออันนี้รู้ก็ได้รู้ในวิธีที่จะแก้ปัญหาความผิดพลาดด้วยไม่ใช่แค่รู้สาเหตุแห่งความผิดพลาดแต่ยังรู้ว่าเนี่ยจะแก้ไขความผิดพลาดอย่างไรในการเดียวนี่เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ถึงสีอย่างนะหนึ่งก็คือว่ารู้จักหาประโยชน์จากความผิดพลาด สนุกกับมันก็ได้ น, ะนมผงเนี่ยสรู้จักรับผิดชอบต่อความผิดพลาด 3. รู้จักหาหเหตุแห่งความผิดพลาด 4. หาวิธีทางแก้ไขความผิดพลาดถ้าข้อหลังนี่นะมันก็คืออะไรรู้จักหาสมุนไพรนะแล้วก็รู้จักาหาตัวมรรคเพื่อให้เข้าถึงนิโรดนะัคือความสะอาดแม่นี่ของคนของเด็กคนนี้ก็ฉลาดนะ รู้จักใช้ความผิดพลาดที่ลูกทำเนี่ยซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นความสะกะปรกเลอะเทอะเนี่ยโอ้แต่เด็กได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยถ้าเด็กสามขวบนี่เขาก็เรียนรู้ได้เยอะนะถ้าว่าสอนถูกอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะของผู้ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาเห็นลูกทำผิดพลาดเนี่ยบางทีของเสียหายนะแก้วแตก หรือว่ารถมีรอยเนี่ยก็ว่าลูกเลยนะว่าลูกเดี๋ยวไม่พองทีลงโทษด้วยตีนะจกนกระทั่งลูกสงสัยว่าให้ตกลงเนี่ยแม่หรือพ่อเนี่ยรักรถมากกว่ารักตัวเองหรือเปล่าหรือว่ารักแก้วมากกว่ารักตัวเองหรือเปล่านะแล้วก็ทุกขทั้งสองฝ่ายนะเด็กก็ทุกข์ถูกตีเจ็บปวดพ่อแม่ก็ทุกข์ อาจจะทุกในภายหลังที่เผลอไปทําร้ายลูกไปตีลูกส่วนลูกเนี่ยก็รู้ว่าความผิดพลาดเนี่ยหรือความซุ่มซ่ามนี่มันเลวร้วายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเผลอทํำก้างตอไปก็ต้องพยายามปกปิดไม่ให้ใครรู้โดยว่าพ่ อ, พอแม่เพราะถ้ารู้แล้วเดี๋ยวถูกตีอีกเดี๋ยวถูกลงโทษก็กลายเป็นผู้ที่ลังเกียจความผิดพลาด รู้สึกลบต่อความผิดพลาดแถมปกปิดด้วยกลายเป็นคนโกโหกก็มีแต่ว่าแม่คนนี้นี่จะทำให้ลูกเนี่ยมีทัศนคติที่ดีนะต่อความผิดพลาดคืออย่างน้อยก็หาประโยชน์จากมันความผิดพลาดบางอย่างนสนุกกับมันไม่ได้นะแต่ว่าเรียนรู้จากมันได้นะเช่นงานล้มเหลวหรืองานมีปัญหางานผิดพลาดขึ้นมาเราอาจจะไม่สนุกกันนะแต่ว่า เราก็ได้รู้ว่าเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมันให้บทเรียนอะไรกับเราอย่างน้อยก็รู้ว่าเนี่ยผิดพลาดเพราะอะไรและสอนมันกระตุ้นให้เราหาทางแก้ไขความผิดพลาดนั้นเกิดปัญญานะและที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรทำนะครูก็ควรทำอย่างนั้นกับลูกศิษย์นะบางทีลูกศิษย์ก็เผลอเลยผิดพลาด ก็ใช้โอกาสนั้นเนี่ยนะทำให้เด็กได้กเกิดการเรียนรู้ดีกว่าที่จะไปสร้างทุกข์ให้และท้างสร้างคติที่ผิดๆนะให้กับเด็กและที่จริงไม่ใช่เฉพาะครูเท่านั้นนะผู้บริหารเจ้านายเนี่ยก็ควรรู้จักน ะ, อะสอนหรือชี้แนะให้ลูกน้องเนี่ยได้มีท่าทีที่ถูกต้องต่อความผิดพลาดอย่าง น, น้อยๆเนี่ยก็หาประโยชน์จากมันให้ได้ แล้วก็รับผิดชอบต่อความผิดพลาดนะทำแล้วเนี่ยทำเลหรือว่าทำจนเสียหายก็ต้องรับผิดชอบนะแล้วขณเดียวกันเนี่ยจใจดีเนี่ยมันก็ต้องคิดต่อไปว่าผิดพลาดเพราะอะไรนะและจะหาทางแก้ไขได้ยอย่างไรนะในสีประการนี่เป็ น, เ, ป น, เ, ปนเรียกว่าเป็ น, ป น, ปนท่า ท, ท, ทีที่ถูกต้องนะซึ่งก็สอดคล้องกับพุทธศาสนาด้วยนะเวลาเราเจอความทุกข์ เราจะหาประโยชน์จากทุกได้อย่างไรแล้วเราควรจะมองต่อไปว่าทุกมันเกิดจากอะไรแล้วก็หาผลทางแห่งการออกจากทุกนั้นถ้ามองเป็นนะมันก็หาเหตุพบถ้ามองไม่เป็นก็ไปโทษข้างนอกไปโทษใครต่อใครมากมายยิ่งพอถึงวิธีแก้นี่บางทีก็แก้ผิดไปแก้โดยการต่อว่าปกปิดหรือว่าโทษคนอื่น หรือไม่ก็าหันไปหาเล่ายาอบายมุกเพื่อที่จะได้กรบเกลือนนะความทุกข์ซึ่งมันไม่ได้ช่วยอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าเหตแห่งทุกข์เนี่ยบ่อยครั้งมันก็อยู่ที่ตัวเองอยู่ที่การกระทําอยู่ที่จิตใจอยู่ที่การวางใจงตัวเองนะมากกว่า